ใจมันก็อดไม่ได้นะที่จะบ่นพึมพำตีโพยตีภายหรือว่าไม่พอใจกับความหนาวแล้วก็ไปสําคัญบั่นหมายว่านะกูหนาวกูหนาวเมื่อมีความสําคัญบรรทมหมายเช่นนี้เนี่ยใจมันก็หนาวไปด้วยกายมันไม่ได้ทุกอย่างเดียวใจก็ทุกไปด้วยนียกว่าหนาวทั้งกายหนาวทั้งใจอันจากคนที่ฉลาดคนที่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 ก็มันวางไว้หน้าบ้านแล้วก็พยายามป้องกันเช่นเปิดไฟไว้หน้าบ้านให้มันสว่างๆแต่ทําแล้วไม่สําเร็จก็ยังมีคนแอบมาวางเอาขยะมาวางเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าการเอาขยะไปทิ้งก็เตือนเขาว่าเนี่ยเวลาเอาขยะไปทิ้งลงในทางเนี่ยก็จะเผลอปล่อยใจ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 หรือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราต้องกลับมาดูใจของตัวเองด้วยมีสติรู้ทันใจที่ปรุงแต่งหลายคนก็บ่นนะว่าเมื่อไหร่บ้านเมืองมันจะสงบทันทีทาไมมันวุ่นวายแบบนี้แต่คนเหล่านั้นเขามักไม่ถามตัวเองว่าแล้วทำไมใจหราถึงหมุดหงิดไม่ยอมเลิกสักทีทำไมใจหราถึงเป็นทุกข์ไม่ยอมหยุดสักทีไปเรียกร้องแต่ให้บ้านเมืองมาสงบ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 นะว่าพอเคยรู้สึกเกลียดตัวเองให้ความรู้สึกเกลียดตัวมันหายไปเลยเป็นครั้งแรกที่เข้าใจความรู้สึกของพ่อเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะว่าคนที่มันมีปมมาตั้งแต่อายุ3ามขวบเนี่ยเปนปมที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของตัวเองว่าพ่อไม่รักพ่อไม่รับและมันก็ทำให้เกิดความ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 และความสุดอย่างหนึง่งบรรยากาศอย่างหนึ่งที่มันเกิดคือเสียงดังไม่ใช่แค่พลุพังเดเสียงดังด้วยบางกลุ่มก็สวดมนต์บางกลุ่มก็มีการสาธยายทำเสียงดังเมนกับตลาดเลยนะบางทีตลาดเสียงอาจจะเบากว่ารอบๆพธธุทธกุยยาก็ได้แต่ว่าน่าสังเกตนะคือหลายคนที่อยู่รอบเจดีย์เนี่ยนั่งสงบ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 เอาละชานี่ก็เพิ่กับต้นนี้กลับทาน